มองดูอดีตก็คือทุกที่รวงมาแล้วอันนี้จังที่รวงมาแล้วเกิดดับที่รวงมาแล้วสังขารที่รวงมาแล้วกองทุกที่รวงมาแล้วมองดูนาโคตรเหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันทีนี่เมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความเพลินในวัฏสงสารจะมาจากประตูไหนอีกใครจะมาโกหกพกลมได้ทีนี่ถ้าท่านเจ้าหาความสุขในใจโลกธาตุไม่พบไม่เห็นท่านจึงยอมจำนวน ต่อความเข้าใจผิดของตนข้ามความหลงของตนไปใช่ไหมนัดนิ้วมือเดียวธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมราทำธรรมดาโลกีธรรมราโลกุตระธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติธรรมชาติโลกีธรรมชาติโลกุตระ สังคมนิยมอ่านว่าสังคมนิยมนิยมในโลกีนิยมในโลกุตระแมะลงวานมันก็อ้างสังคมนิยมของมันแมลงผูง้แมลงผึ่งมันก็อ้างนิยม ส, สังคมนิยมของมันมันก็อ้างประชาธิปไตยของมันเหมือนกันแต่เหตุผลแต่คนละทาง มันก็อ้างคนหมู่มากเขาชอบอย่างนี้เรียกว่าสังคมนิยมุมแต่ละอย่างละอย่างก็ อ, ออกมาอ้างใครอยู่ในในระดับใดก็เอาระดับนั้นออกมาอ้างใครทำอะไรในโลกต้องเอาความจำเป็นออกมาอ้างถ้าโสดาบันก็เอาความจำเป็นออกมาอ้างว่าเราจำเป็นจะถึงพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็เอาความจาเป็นออกมาอ้างว่าเรา จะพยายามให้ถึงพระอนาคามีพระอนาคามีก็เอาความจำเป็นออกอ้างว่าเราจำเป็นจะต้องถึงพระหรหันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างใครทำอะไรก็ อ, อันนั้นเราออกมาอ้างความจำเป็นมีอยู่ทุกระดับแต่ความจำเป็นในทางโล ก, กุตระเป็นหน้าที่ของพวกฝ่ายโล ก, กุตระ ความจําเป็นในโลกรีก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่สร้างโลกรีผู้ที่ยังติดอยู่ผู้ที่ดอกบัวยังอยู่เสมอน้ําผู้ที่ดอกบัวเป็นตูมก็เป็นไปแบบหนึ่งผู้ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกบัวสี่เราไม่มีแต่ข้งพุทธกาลั้งนี้ก็มีเหมือนกันดอกดอกบานก็บานเต็มภูมิ ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิเสมอน้ำก็เสมอน้ า, า, นาเต็มภูมิดอกดอกใต้น้ำก็ใต้น้าเต็มภูมิดอกบัวแต่และดอกค่อยๆกับแต่และบคุคคลกอเดียวกันหมายถึงคนทั้งโลกเราจะไปยืนยันว่านักผลนิพพานหมดแล้วไม่มีดอก ใครจะประพฤติไปสักเพียงไหนก็าตามเถิดไม่ได้ดอกแล้วไปยืนยันอย่างนั้นก็แค่คาคๆก็ว่าเราเปลือยกายให้นักปราช ด, ดูเราเป็นคนจนเราจะว่าคนทั้งโลกเขาจนหมดมันก็ไม่ถูกในโลกของเรานี่ก็มีเศรษฐีตั้งแปดคนหรือเก้าคน ผู้มาในพระพุทธศาสนานี้บางท่านสร้างบารมีมาบางแล้วมามากแล้วบางท่านก็เพิ่งได้มาสร้างเราจะให้อยู่ระดับเดียวกันไม่ได้ถ้าเราอยากจะเห็นพระโสดาบันเราก็ต้องเป็นพระโสดาบันเสียก่อนถ้าเราอยากจะเห็นพระสัคาคามีเราก็ต้องเป็นพระสัคาคามีเสียก่อนถ้าเราอยากเห็นพระอนาคามีเราก็ต้องเป็นพระอนาคามีเสียก่อน ถ้าเราอยากเห็นพระอรหันเราก็ต้องเป็นพระอรหันเสียก่อนถ้าเราอยากรู้ว่าเกลือเค็มหรือไม่เค็มเราก็ต้องจิบดูเสียก่อนให้คนอื่นจิบแทนไม่ได้ไม่พ้นสงสัยอีกล้วเข็มขนาดไหนเข็มขนาดไหนเมื่อไฟเมื่อเมื่อเมื่อไฟไม่อยู่ทุกการ น้ำสำหรับดับไฟก็มีอยู่ทุกการเมื่อความโง่มีอยู่ทุกการความดับความโง่ก็มีอยู่ทุกการเราเกียรติท่านเราจะ อ, าอะไรเอาเอาอะไรมาชนะแล้วก็เอาความหมั่นมาชนะเท่านั้นเราหลับตา เราจะเอาเอะไรมาชนะมันก็เอาลืมจามาชนะมันเรายินดีในพระพุทธศาสนาเพียงแค่ไหนจริงหรือไม่จริงอันนี้เราต้องถามเราดูให้คนอื่นให้คะแนนไม่ถูก เพราะเรามีสิทธิ์แล้วสมมาสันทิฏฐิโกปล่อยให้มีสิทธิ์ทุกๆ ท, ท่านในพระพุทธศาสนาเห็นเองปฏิบัติเองลูกเองเห็นเองพระพุทธศาสนาให้สิทธิทุกๆ ท, ท่านแล้วให้สิทธิ์อยู่ในตัวไม่ไม่เป็นพระพุทธศาสนาที่มีสินจ้างรางวัลจะไปจ้างคนมีกิเลสจ้างเท่าใดมันก็ไม่พอพราะเมืองพอไม่มี พูดแต่คนเดียวแล้วครับในเรื่องธรรมบทมันมีนะเขาเอาช่างดีกวดมาเขาดีที่แพะเข้าปาก <c oughs> <c oughs> มันมีในธรรมบทนี่อะไรถือเป็นคนกันเองเลย หรือเป็นคนกันเองเลยในทางธรรม ะ, ะใครไม่ชิดอะไรก็ป่าลบ ท, ทำไมหลวงปู่ถึงมาที่ปู่เจ้าก่อนนี่ครับเอ อ, เ อ, อ, อดีดีขอบขอบคุณก่อนที่จะมาในปู่เจ้าก่อนนี้เนี่ย ก็นึกว่าเราออกบวชในวัะพุทธศาสนาเราหวังพ้นทุกข์ในวัรทรงสารเป็นหลักหัวใจของเราอยู่จะพ้นหรือไม่พ้นเราก็ไม่ตีตนตายก่อนใครเราต้องภาวนาประจำวันมีข้อวัดประจำวันมีทุดวงขวัตตามสติกำลังของตนที่นี่ เราอุปสมบทมา 2,486 เป็นมหาเิกายถ้าเราจะออกมาเป็นธรรมยุทธ์ก็กระทบกระเทือนท่านอุปชายยะเพราะท่านอุปชายยะเมื่อได้ทราบว่าเราจะบวชท่านก็เปิดทนทางให้จาเป็นก็ต้องบวช ด, ด้วยกับท่าน2พันษา เช้าที่หนึ่งเรียนนักธรรมโทเช้าที่สองเรียนนักธรรมเอกแต่ว่าสอบปล่อยในวัดโพธิสมพรเมวงอุดรธานีสมัยนั้นท่านเจ้าคุณทําไปเกีเป็นเทพกวีย้อไม่ทันเป็นท่านเจ้าคุณทธรรมเกดีพอสอบโรงเรียนแล้วเราไปนั่ง สอบนักธรรเอกกับสามเนียนนักเนียนสามเนียนตัวนิดๆมันไปนั่งเก้าอี้ใกล้ๆนึกละอายมันเออพระสวสดาบัลชัคตาคามีอนาคามีท่านก็มาเห็นว่ามีใบประกาศสัญญานนบัตรเราก็ต้องบวชภายเกะในชั้นอายุสามสิบแล้วเราจะมาเล่นอยู่อย่างนี้ไม่ถูกจำเป็นก็ต้องยัตติที่นี่ ถ้าเราจะเป็นมหานิกายไปปฏิบัติมันไม่มีหมู่เพื่อนมันลำบากเพราะหมู่ไม่มากแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มันยังมีชีวิตอยู่ด้วยที่ก็เลยยัดติท่านเจ้าคุณทำหมเจดีก็ยัดติให้แล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อบันมีชริตตตำบลเชียงยืน วัดป่าโพชัยที่ท่านเจ้าคุณทำให้เจดีจัดไปให้อยู่ได้พรรษาหนึ่งท่านก็พาดทำความเพียนเก่งเหมือนกันไม่มีกลงวันกลางคืนรับอาหารกลับมาวัดแล้วไม่ต้องวันไหนมีแต่ข้าวก็ต้องฉันแต่ข้าวไม่ตกในบาทก็ไม่ต้องฉันเดนินยังกรมมาฉันคันแข่งกัน กลางวันไม่ให้เครื่หลับเลยกลางคืนก็ไม่ให้เกินสองชั่วโมงหลับตลอดพรรษานิมิตนิม้อยอะไรต่างๆสารพัดบางทีเตียงพาหะขึ้นบนอากาศเตียงที่นั่งภาวนาบางทีก็เกิดแสงสว่างขึ้นในกุฏิวิหารไปเห็นพระยืนผินหนามาสภายบาต เออนี่ไม่ใช่เราหเราภาว น, นาช้ลอยเราจะได้กำลังในธรรมในเหนียวกระมังพระจึงพิมพหน้ายืนจะฟาดบาดยืนจะเรีย บ, ยบมาให้เราเห็นอย่างนี้นึกใส่ตนเองทีนี้พอนึกอย่างนั้นแล้วก็นิมิตก็เลยหายไปที่เรื่องนิมิตนี่พูดหมดคืนมันก็ไม่หมดนี่ที่จะผ่านไปทีนี้ พ่อพัดษาแล้วก็ลาท่านจะมาหาหลวงปู่มั่นพอตกถึงหลวงปู่มั่นก็เป็นระดูเป็นระดูอดสองพันสี่ร้อนแปด9เก้าก็มาอยู่กับองค์ท่าน พ้อหมากกายถวายชีวิตต่อองค์ท่านอยู่กับองค์ท่านที่นี่มีหลวงปู่มหาอยู่ด้วยหลวงปู่มหาบัวอยู่ควบด้วยและโศเป็นโศตายก่อนที่จะไปหาหลวงปู่มั่นก็เที่ยวติเดินด้วยฟีเท่าแต่อุดรจนถึงธาตุพนม จนถึงถ้ำพระเอศไปอยู่ถ้ำพระเอศเสียก่อนออกจากนั่นก็ร่องตามเขาไปอำเภอพนานนานิคมวัดนงผือตำบลอานายัยพอไปถึงท่านพอไปถึงท่านท่านเห็นเป็นคนแก่ที่นี่ท่านคงจะเข้าใจว่าหลายพรรษาแล้วท่านอยู่ที่ศาลากำลังเย็บผ้าอยู่ท่านก็ห่มผ้ามารับมาจากไหน มาจากท้ำพระเวทผมทีนี้ภาวนะพ า, พานเป็นยังไงแต่ความจริงเราภาวนาได้ความแล้วแต่เราไม่พูดเพราะเราไปใหม่ๆก็ค่ายก็ว่าจะไปอวดดีกับท่านพูดอยู่ก่อนก็เลยเก็บไว้ก็ตอบแต่เพียงว่าเห็นว่าได้บุญก็ภาวนาไปตามประสาอย่างนั้นเราค็รับเราไม่ได้ความอะไรดอกพูดไปเราเอาไว้ข้างหน้าใช่หรืไปนานๆเราจึงจะกลบเรียน พูดรัดที่สุดที่นี่ก็อยู่ติดต่อกับองค์ท่านมาจนถึง 2,493 <c oughs> ชาปนากิจของท่านเสร็จแล้วก็เลยลงไปกับหลวงปู่เทศเทศรังสีจันทบุรีไปพักอยู่สามเดือนท่านก็พาไป ภูเก็ตพังงาก็เลยไปภูเก็ตพังงาสามปีก็เลยขึ้นมาขึ้นมามาอยู่กับหลวงปู่มหาบัวอีกที่บ้านห้อยทายในสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่มหาบัวเป็นผู้ควบอยู่เหมือนกันเป็นมือขวาและอาศัยท่านเหมือนกันไม่เข้าใจอะไรก็กราบเรียนท่านที่นี่ <c oughs> พอมาอยู่ที่นี่ อยู่กับท่านอาจารย์มหาบัวสามปีอีกรวมเป็นเจ็ดปีเจ็ดปีกับที่อยู่ควบกับหลวงปู่มัน่นพราะอยู่กับหลวงปู่มัน่นสี่ปีปีที่ห้าไม่ได้จำัญษาปีที่ห้าชาปัญจกิจแล้วก็ลงไปเฉพาสองพันส่ร้ยเก้าสิบสามเป็นถวายพระเพลินท่านสิ้นพระชนมายุสองพันสี่รอยเก้าสิบสอง ในเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาธันวามกราเก็บพระศพไว้ถึงสามเดือนมันก็ต้องเป็นปีใหม่ทีนี่เป็นเป็นอย่างนั้นจึงตกลงว่าชาวพระกทจถวายพระเพลิงสองขอนร้อยเก้าสิบสามที่นี่นายยงให้ทายกับหลวงปู่มหาบัวอีก ก็มีเพื่อนมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนหลายท่านอาจารย์ชิ้งทองบ้างาท่านบุญเพง่งท่านท้ำกองเพลนบ้าคราวอยู่กับลพบุญมัน่นท่านบุญเพ่งก็เป็นสมานิยนท่านบุญเพง่งที่ท้ำกองเพลนได้ไปนั่งหัตถบาส ท, ท่านอยู่ เป็นพระอันดับท่านเจ้าคุณทํารมิเจดีนี่มณ์มานี่มณ์มาบวชนี่มณ์มาบวชที่บ้านน้องโดกอําเภอพะเนนาหลวงปู่อ่อนเป็นผู้สวดคมวาจาจการหลวงปู่ฟั่นเป็นคู่กันสวดคู่ท่านเจ้าคุณทํารมิเจดีเป็นอุปชัยยะของท่านมุนเพงหลวงปู่มั่นเป็นผู้เซนในใบสุทธิของท่านมุนเพง ที่นี่เรามานึกหวนที่นี่เวลาเราอยู่กับหลวงปู่มัน่นท่านเทศอันหนึ่งหนักเหลือเกินอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่มามากแล้วพวกเราถ้าอายุแก่แล้วนหน้าสะอาดบินถวัดพอไรฉัเนเราก็รีบพาการเก็บตัวปฏิบัติเชียเนูอ้อเดี๋ยวจะตายที่เปล่า ไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กไม่ได้ี่เที่ยวชมบ้านนั้นบ้านนี้เมืองนั้นเมืองนี่ต้องรีบตัวปฏิบัติเดี๋ยวจะตายทิ้งนะท่านพูดเป็นภาษากลางเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคำกลางไม่ใช่ว่าเฉพาะผูใ้ใดผู้หนึ่งคำมันนี้ดูว่าติดอกติดใจมานานที่นี่พอมาอยู่ที่ห้วยทรายนั่นอยู่กับหลวงปู่มหา 3, สามพรรษาเนะี่ยแต่หลวงปู่มหามาอยู่ก่อนเนี่ย ในเวลาหลวงปู่มาหามาอยู่นั่นเราอยู่ที่ภูเก็ตที่นี่เรายังไม่มาท่านมาอยู่ก่อนปีหนึ่งแล้วท่านเป็นหัวหน้าหัวหน้าหมู่ที่นี่ท่านก็เลยมีธุระจะไปบวชมันดาทีนี่ขององค์ท่านเอะผมจะได้ไปบวมันดาถ้ า, าว่าเอามันดามาบวชที่นี่แม่ข้าไม่ชีอยู่ที่นี่กว่ามี ค่ายกับผมเอาบินามารดาของผมมาทับถมเขาเพราะใครก็จะว่ามารดาอาจารย์มารดาอาจารย์มันก็ไปทับถมผู้เขาที่อายุพรรษาแก่แม่ขาวอยู่นี่จะไปกระทบกระเทือนผู้ที่เขาอยู่นี่ถ้านก็นึกดีเหมือนกันหลวงปู่มหาจำเป็นเราจะไปไปบวชอุดรพอบวชอุดรแล้วหลวงปู่มหาก็พามารดาลงไปจันบุรี ที่พอลงไปจันบุรีแล้วท่านก็บอกว่าเวลาอยู่ก็แย่งกันอยู่เวลาหนีก็แย่งกันหนีเขาจะเบื่อนายใครมาในพระกรรมฐานนะพวกเราต้องแบ่งกันไปแบ่งกันอยู่ถ้าหากว่าอยากจะไปหาับผมจึงค่อยทยอยไปในปีหลังท่านพูดอย่างนั้นหลวงปู่มหาอย่าไปให้หมดเดี๋ยวนี้ผมจะไปเอาบิดาไปเอามาดาของผมบวช ถ้าผมจะเอามาบวชมาที่นี่มันมาทับมาถมเขาไม่ได้ข้ายก็ว่าเราผมมาผมเห็นเขาทางอ้อมท่านพูดท่านพูดละเอือดเหมือนกันหลวงปู่ ม, มาหา <c oughs> <c oughs> เราก็อยู่ที่นั่นปีหนึ่งเคารพคำสั่งของท่านมีท่านอาจารย์สมผู้ไปตายอยู่แม่เม่อยังใหมนะ่นั่นเป็นหัวหน้าแล้วก็บังหลังท่านอยู่ พอออกพรรษาแล้วแล้วก็ลาท่านมาพักอยู่ที่ภูเก้านี่พรรษาหนึ่งมาอยู่องค์เดียวนีนี่แล้วนึกหัว น, นึกในใจว่าเออเราไม่ใช่ช่างแต่ปลอกอยู่กับภูบาอาการมาหลายท่านหลายองแล้ว ไม่ใช่พอบวชแล้วก็ไปเที่ยวหากินขนมคนเดียวเป็นช่างแตกปอกเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นศิษย์ที่มีครูเราก็แก่แล้วเดี๋ยวนี้เราจำเป็นจะออกปฏิบัติส่วนตัวลองดูมันจะเท็จจริงสักเพียงไหนให้จับพิรุษมันได้พอมาอยู่นี่ก็ไม่นึกได้ฝันว่าจะสร้างกุฏิวิหารถึงเพียงนี้นะ จนหมูเพื่อนมามาอยู่อะไรไมาอยู่อะไรไม่มีที่พักมาอยู่ตายทำไมหมูเพื่อนมามาเห็นดุดา่ายี่สิบเจ็ดปีมาอยู่นี่น้ามก็หามาจากห้อคอน้ามโสเป็นโสตายในทางพระพุทธศาสนา คอ น, น้ำมาไม่คอ น, น้ำก็ยังอยู่ทุกวันนี่นึกว่าจะเอามาใส่ไฟคุณสวัสด์มาให้เอาคุณสวัสด์แย่งว้ไม่ไหนนึกใ้ฝัน ว, ว่าจะมีกุฏิวิหารขนาดนี้ดอกนึกดูแล้วว่าวัฒนาของเราในย่างมากกกุฏิสองหลังอะอย่างน้น หรือสามกับตัวทศทนั้นะไรอย่างนีน้นี่ก็กลายมากไปเสแล้วเรลืบบ่าไปแล้วลูวปูลูกปูมนาลูวปูมหาเคยเทศบ่อยจะทำอะไรต้องดูกำลังของตนเคยเทศบ่อยกำลังของตนในห้ากิโลไปแบบสิบกิโลก็ลังหักตายท่านพูดอย่างนั้นท่านเคยเทศอันนี้เป็นภาสิทธิ์ที่สำคัญมาก มาอยู่ศาลาฟากมาก็มีพระพุทธรูปองค์เดียวเลยเนะี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่อัตมาสร้างนะนี่ท่านผู้อื่นสร้างก่อนแล้วนี่อัตมามาชิงท่านอยู่เฉยๆนี่มาชิงพระพุทธรูปองค์นี้อยู่เพราะไม่มีที่อยู่ศาลาฟากมาอยู่อยู่ศาลาฟากสามปีตัดผ้าสังคาก็กขบคลับขบคลับขบคกขักอะไรต่ออะไร ก็มีขี้ข้างคาวทากันดำสารพัดขี้ข้างคาบางคนขี้ใส่ด้วยอยู่มาอยู่มาสามปีเขาก็เลยมาทําสาราให้ก็ลองมองดูสาราเห็นรอยต่ออยู่นั่นเห็นรอยต่อที่ไปนั่นเห็นมหมยังไม่สังเกตยังไม่สังเกตพวกนี้สังเกตะอืก อยู่นั้นหลายปีอยู่แล้วจึงมาต่อออกเอกต่อออกเอกอ่อาประธานเทิดหลวงปู่มาเจอที่นี่ได้ยังไงครับโอ้ก็เพราะว่าอยู่ที่ภูกเก้าอยู่ที่ภูกเก้ามันเป็นตำบล น, นี่นเขาเที่ยวไปใส่บากอยู่พวกนี้พวกวงของคุณอินถวายนั่นเองรู้จักไหมคุณอินถวายไม่รู้รไม่รู้นะ นี่มลท่านมาเลยครับมานี่นมลม า, มาเขาก็มีลูกไม้เหมือนกันนี่มลพระผูเป็นเจ้าไปพักภูจาก็จะสามวันสี่วันก็ตามพอมาพักมาพักเราก็อยู่ข้างล่างพออยู่ข้างล่างเขาก็เอาผู้ใหญ่บ้านมาปรึกษาทีนี้อยู่ข้างล่างสิบห้าวันถ้าให้ท่านอยู่ข้างล่างนี่ไม่ได้ เพามันคับแคบเกินไปพราะเราจะทํำยังไงเขาพูดกันเราก็คอยฟังอย่างนี้เราเอานโมทนาเราก็ไม่อนมน า, านโมทนาคัดคานเราก็ไม่คัดคาด mm. เขาจะออกเสียงกันไปยังไงเราก็ต้องฟัง mm. พวกเรามารักษาศสียก็จะมายีดเยียดอย่างนี้เพราะทำแคบแคบทำอันนี้ขุดเข้ามาหน่นเนี้ยขุดเข้ามาอีกขุดดินเข้ามาไม่ได้ขุดแต่ในระหว่างพระพุทธรูปน่ะเป็นตามเดิมตามเดิมที่เขาทําไว้ เขาก็เลยมาทําตะน้ําหรือกระต๊อบฟางให้ท <one silent memory> ี่นี่ข้างบนนี่ลมพัดมาก็กลวยตรงเตีงตรงเตีงกลวยไปกลวยมากลวยไปกลวยมาเนี่ยกลวยอยู่อย่างนี้เสาเท่าเท่าแข้งเสม่ตะแบกที่นี่เสือมันมีมากเลยอยู่ตามนี่มองไปข้างบนนะไม่เห็นพระอาทิตย์เลยมีแต่ต้นไม้โตๆกวงข้างใน เป็นโพงข้างในต้นตะแบกหักลงปีเลยสองต้น3ามต้นสี่ต้นลมพัดมาเสียงบุญเสียงกรรมอยู่นี่งูกระบะก็ต้องขึ้นกุฏิทุกวันเพราะมันขึ้นไปหาจิ่งจกที่อยู่ในฟางเขากั้นฟางแล้วเขาก็มงฟางด้วยพอหลวงกดนี่เนี่ย ข, ขนาดนี้ขนาดห้องนี้แหละลมพัดมาก็กลวย ไกตรงเต่งตรงเตงตรงเตงอยู่สามปีทรมานอยู่นั่นเป็นกระต๊อบผีอยู่นั่นสามปีปูฟากปูฟากไม้โกที่หลังภูไม่ลำขนาดนี้เวลาเขาแผ่ออกแล้วมันก็นเท่านี้นี่นี่คุกคักกะอวาบามาตั้งไว้นี่ฟากมันคุกคักกะก็มีงูมาขดอยู่ในที่นี่เกือบทุกวัน ทุกในตกกาตโรคกระท่านเนี่ยมันมารวมอยู่ที่อาตมาคนเดียวคนอื่นไม่ได้เป็นทุกดอกอาตมาละหมอเอาหมดแล้วค่ายกับมันเป็นอย่างนั้นน้ำก็ต้องควอนมาจากเมื่อข้ออยู่มาอยู่มาสามปีสามปีเขาทําทำดให้หลังหนึ่ง เ, เรานึกในใจอย่างนี้ทีนี้เราจะอยู่ไหนไปไหนถามตนเองพอถามตนเองอย่างนี้ก็นึกเห็นพระมหาขันธ์ในพระวนินัยทีนี้คิดสู้ใดจะไปอยู่ในคิดใดเราจะไปอยู่นั่นจะมีลากจะมีผู้นับถือ หรือเราอยู่นี่จะมีผู้นับถือต่อไปพิสูจน์นั่นไม่ควรอยู่และไม่ควรไปจะไปไหนอยู่ไหนก็จงตั้งใจปฏิบัติเพื่อพนทุก์นั่นเถิดถ้าพิจารณาอย่างนั้นจะไปก็ไปเถิดจะอยู่ก็อยู่เถิด อ, อาบัตตอนนี้ไม่เป็นท่านพูดอย่างนั้นส่วนตอนอื่นถ้าไปทำผิดมันก็เป็นเหมือนกันท่านพูดอย่างนี้เรานึกอย่างนั้นทีนี่เรานึกย่อมาอีกอยู่ก็อยู่ เป็นวินาทีไปก็ไปเป็นวินาทีเหลือน้องนั่นเป็นอดีตเป็นอนาคตน้องเรามาขนาดนี้แล้วก็เรยเย็นทีนี่การจะไปก็ไม่มีการจะอยู่ก็ไม่มีก็เลยไม่สนใจในเรื่องอยู่เรื่องไปทีนี้ก็สนใจแต่ในเรื่องปฏิบัติตามภาษาของตนทีนี้ก็เลยสบายทีนี้ร่วงไปร่วงไปร่วงมาร่วงมาร่วงมาร่วงมากูเพื่อนก็มาด้วยมูเพื่อนก็มา ได้ยินข่าวอ่ะองค์นั่นอยู่นั่นองค์นี้อยู่นี่ก็มาเยี่ยมมาอะไรเข้าแล้วก่อนเกิดมีกุฏิวิหารขึ้นก็แก้แก้ขึ้นอีกเช่แล้วทีนี้เช่นไฟฟ้าอาตมาก็ไม่ได้พิธีตรฐานอะไรพัฒนาเข้ามาถามลพบปูจะเอาไม้ไฟฟ้า เอาหรือไม่เอาก็ต้องถามพวกคุณทำหลวงปู่ทาไมหลวงปู่ไม่ใช่เป็นผู้หาเงินบิณฑบาตฉันเท่านั้น่ะยัดคืนเลยเราถ้าเราไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกถ้าเราว่าไม่เอามันก็ไม่ถูกเพราะนาเขาอยู่แถบนี้เขาก็ต้องการหรือเขาต้องการจะใช่อะไรต่ออะไรหนทางก็เหมือนกันหลวงปู่ก็ไม่มากใหญ่ไฟสูงว่าจะทําหนทางขนาดนี้นี่แต่มันจนใจสินี่ โยใจในเรื่องน้าทีนี่ถ้าทํากุติที่นี่น้าไม่มีถ้าไม่มีที่ไหลาจากล้างคาก็ไม่มีอะไรจะฉันเชื้อแล้วอันนี้กระจนจําเป็นต้องทํำล้างคา่าจําเป็นก็ต้องทําทั้งน้าที่นี่การทําทั้งน้าที่นี่มันเป็นของลําบากลาบนเหมือนกันเอามาทิ้ไงไว้ตีนเขานึ่ง พวกนักเรียนเข้ามาขนช่วยเนี่ยครพวกชาวบ้านเขาก็มาช่วยเหมือนกันเขาสงสารเข้ามาช่วยด้ยวยความสงสารพราะอดน้ำเราไปซื้อหินซื้อทรายมาจากมุกไม่แพงเท่าขนขึ้นมานี่จากตีนเขาเนี่ยนี่เนี่ยมันกองทุก หนทางก็เหมือนกันไม่ต้องการจะทําสะพานก็เหมือนกันสะพานมีผู้มาอาสาทำสะพานอันเล็กๆกน่งเจ้าของมาเลยพระเป็นผู้มาทําสะพานอันเล็กๆหนอันกว้างหนึ่งเมตรเห็นเห็นไหมเห็นท่านที่ามาทําผมจะมาทําสะพานท่านอาจารย์จะว่ายังไง ก็ไม่ไว่ายังไงแล้วแต่ชาวสวนเขาก็ต้องการอย่างได้อยู่เพราะเขาข้ามไปมาลำบากขอให้ก็ผมจะไปชวนชาวบ้านทำเพราะไม้ของเราก็มีอยู่ในทิท้น่ไมอสดอแล้วขอให้ท่านอาจารย์เซ็นให้ผมจะเขียนหนังสือ ผมไม่เซ็นถ้าผมเซ็นผมก็มเป็นคนแผ่คนขอผมไม่ต้องการมีกิตติศัพท์ทางแผ่ทางขอท่านสามารถทาท่านก็ทำท่านไม่สามารถทำก็ไม่ต้องทำผมไม่เซ็นให้ตกลงท่านชีลาก็เลยทำเองกับโยมที่นี่หลวงปู่ยางก็มาชวดที่สะพานโตโตนี่อีกเหมือนกันเนี่ยสะพานโตโตที่ข้ามผ่านไปมานี่ ก็ไม่ใค่เราเป็นผู้ได้เริ่มขึ้นนี่พวกชาวสวนเขาอยู่ทางนี้เขาขัดข้องเขาขัดข้องเขาก็ไปบอกล้านเขาว่ามึงไปอยู่เมืองเล่เมืองดีบุกที่ทางจันบุรีที่บ่อกแก้วนะมึงก็มาช่วยกูทำสะพานบ้างกำนัน่บผันเออถ้าอย่างนั้นก็จะชวนมู มาเขาก็ทำพิธีมามาทอดผ้าปา่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินห้ามื่นทั้งหมดก็เป็นเงินแปดหมื่นทีนี้มาทำมันก็ไม่พอไม่พอก็มีท่านผู้ช่วยขึ้นไปอีกอยู่ในราวแปดมื่นก็เลยเสร็จปันกันไปทีนี้ถ้าเราไม่ทำถ้าเราจะคัดคาดทีนี้ แล้วก็ตายคอนมายางอยู่แปปีแล้วเนี่อแปดปีไตค่คอนมายางอยู่นั่นน้าบางปีกว่านี่ไต่คอนมายางอยู่บางปีก็ข้าไม่ได้เขาต้องส่งเรือมาไปบินทบาดข้างนี้ทางทางนี้แต่น้าขึ้นไม่พอสามสี่วันอก็อแห้งไม่เหมือนน้ำทางทุ่งเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นที่นี่อยู่มาอยู่มาอยู่มา ก็มีผู้มาทำให้สมศักดศรีทำให้ทำทั้งหน้าให้ทำให้กุฏิดังหนึ่งนี่หลังนี้กองของเขาเนี่ยหลังนี้กองเขาแต่ว่าเมื่อไม่พอเงินกุศลาเรามีเราก็ต้องทำช่วยเขาบ้างว่าอย่างนั้น เรื่องเก็บศพไว้นอนไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแต่ทุกวันนี่ทำกันเฉยๆหรอกหลวงปู่มหาก็อยากจะแก้อยู่แต่ว่าแก้ไม่ไหวเพราะเลกล้ายกว่าฐานเรื่องอะไรอีก เรื่องพุทธาพิเศษพิศักก็ไม่มีในหลวงปู่มั่นมาเกิดขึ้นทีหลังจะก่อนอยู่ที่ไหนไม่ทราบ